ศึกษาดูรูปประคันคือร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นเราลองแยกแยะดูอาการต่างๆในร่างกายดูเราคนขอหาดูว่ามีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่เช่นผมผมมีเราอยู่ในผมหรือเปล่ามี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 ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นอ น, นิจจังร่างกายนี้มันจะต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดานี่คือรูปประคันที่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราส่วนประกอบอีกสี่ส่วนนี้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 เป็นเลยขาเช่นสัญญาอ่าเช่นวิญญาณนี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้รับรู้ไปรับรู้อะไรก็ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นไก่นี่เเนี่วิญญาณนี้เป็นผู้ไปรับข้อมูลต่างๆที่ตาได้ไปรับมาหูไปได้รับมา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 ถ้ารู้ถันว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตามันก็จะไม่ส่งเวทนาสุขหรือทุกข์ไปให้กับสังขารสังขารเมื่อไม่มีสุขเขสุขเขเวทนารู้ทุกข์เวทนาสังขารก็จะไม่ปุงแต่งอยากให้สุขเขเวทนาอยู่หรืออยากจะให้ทุกขเขเวทนานี้หายไปนดังนั้นในกระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลของ ของชีวิตหรือของใจนี้อยู่ที่ตัวสัญญานี้อยู่ที่ตัวสัญญาที่ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆผิดเช่นเวลาเห็นร่างกายก็จะวิเคราะห์ว่าเป็นร่างกายของพ่อบ้างเป็นของแม่บ้างเป็นของพี่ของน้องบ้างเป็นของลูกของหลานบ้างเป็นของเพื่อนบ้างของญาติสนิทบ้างของมิตรบางของศัตรูบ้าง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 ถ้าวิเคราะห์ว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีไม่ไม่ไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูถ้ามองอย่างนี้เวทนาก็จะไม่เกิดสุขเวทนาก็ไม่เกิดทุกขเวทนาก็ไม่เกิด สังขารก็จะไม่ปรุงแต่งไปในทางการวัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็ก็จะสักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นรู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นรูปประคันรู้ว่าเป็นดินน้ำลมไพล์รู้ว่าเป็นอาการสามสิบสองรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่สวยไม่งาน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 ก็จะไม่มีตันหาต่างๆ ต, ต, ตามมาเมื่อไม่มีตันหาต่างๆ ต, ตามมาก็จะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจนี่แหละคือการศึกษาส่วนประกอบองค์ประกอบของชีวิตให้ใจได้ทำทาหน้าที่ให้ถูกต้องให้นามขันทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ที่จะไม่ผลิต ปัญหาความอยากต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจนะคถ้าเรายังมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ว่าเป็นสุขนี่แสดงว่าเราหลงแล้วเราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่ามันเที่ยงแสดงว่าเราหลงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของเราเราก็ยังหลง เห็นบ้านเป็นของเราเห็นรถเป็นของเราเห็นเงินทองเป็นของเราเห็นสามีภรรยาเป็นของเราเห็นบุตรเห็นธิดาเป็นของเราไม่ว่าเห็นอะไรด้วยตาแล้วไปเห็นว่ามันเป็นของเรานี่แสดงว่าเห็นผิดแล้วเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวต้องมาแก้ความเห็นคือสัญญาความจําได้หมายรู้นี้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 เวลาเรืออยู่ไกลๆนี้พอมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรก่อนเราจะเห็นทั้งหมดเห็นตัวเรื อ, อรเลยหรือว่าเราจะเห็นเสากระโดงก่อนเห็นธงก่อนเราต้องเห็นส่วนสูงก่อนก็เพราะว่าพื้นที่ที่เรือวิ่งมานี้มันไม่เรียบมันไม่แบนนั่นเองมันโคง้งควาว่าโค้งนี่ก็แสดงว่ามันกลมนั่นเองพื้นที่เราอยู่นี่นี่คือลักษณะของนักปราดของคนฉลาด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 ก็ยังอยากจะแต่งงานกนยังอยากมีคู่ครองกันอยู่นะเพราะตัณหาความอยากนี้มันมีอำนาจมากมันทำให้ตาบอดนะอย่างที่มีคำพูดว่าความรักทำให้คนตาบอดนะความรักก็คือความอยากนี่ตัณหาเนี่คือความรักของมนุษย์เราเพราะเกิดตัณหาความอยากแล้วเห็นอะไรนี้ดีไปหมดเลยส่วนที่ไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยแต่พอความรักนั้น เบาบางลงไปเรือยความอยากนั้นอ่อนไปปั๊บส่วนที่ไม่ดีนี่เห็นเต็มไปหมดเลยเหมือนน้ําลดเวลาน้ําลดนี่เห็นตอเต็มไปหมดแต่เวลาน้ำเต็มนี่มองไม่เห็นต่อสักต้นหนึ่งฉันใดเวลาเกิดตัญหาขึ้นมานี้จะมองไม่เห็นความทุกข์เลยจะเห็นทุกอย่างที่อยากวันนี้เป็นดีไปหมดสุขไปหมดแต่พอได้มาแล้วเหมือนถึงจะเห็นเพราะ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 เวลามันจากกันนี่มันทุกข์นะและเวลามันเปลี่ยนไปนี้มันทุกข์นะพอมันคิดอย่างนี้เนทะ่านั้นมันก็เลยหยุดความอยากได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาให้เป็นปัญญาอย่างแท้จริงนี้เราต้องทาใจให้สงบก่อนใจต้องมีฐานฐานของใจก็คือความสงบเหมือนกับคนที่จะไปทํางานก่อนจะออกไปทํางานนี้ต้องกินข้าวพักผ่อนหลับนอนให้มีกาลังก่อน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 มีกําลังที่จะไปเจริญปัญญาได้มีกําลังที่จะไปพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาได้ไปพิจารณาว่าสัญญานี้เป็นตัวที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่มีว่ามีเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเห็นความเพียรในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ะ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 สังขารความคิดตุงแต่งไปในทางกามะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตามมาถ้าเราหยุดสัญญาได้เปลี่ยนสัญญาได้หยุดสังขารได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ศึกษาและได้ปฏิบัติมา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 เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัรปติอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสปีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาฒนศีลสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวัทานติอายุวโนสุขังภาลาง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 แม่ขอเงินลูกใช้เอาไปใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อใช้เกินตัวจนลูกไม่มีใช้เพื่อปัจจัยของส่วนตัวเพื่อเมื่อถือเป็นการเบียดเบียนหรือไม่คะถ้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น <c oughs> ก็เรียกว่าเบียดเบียนได้เหมือนกันอต่ทีนี้ผู้ถูกเบียดเบียนก็อาจจะต้องคิดดูว่าบางทีมันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนมันเป็นการมาทวงหนี้ก็ได้ <c oughs>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 มันไม่มีสาระไม่มีตัวตนไม่มีความจริงอยู่เลยมันไม่สามารถกระโดดออกมาจา ก, น ก, กเน่าเจอะมากัดเรามากินเราได้แต่ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้ใจรับรู้ในขณ ะ, ขณะที่นั่งสมาธินี้ก็จะไม่สามารถที่มาทําลายจิตทำลายใจได้เขาให้ใจสักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วก็อยากไปอยากให้มันหายไปในขณะที่มันปรากฏขึ้นมา หรือมันหายไปแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาอย่าไปใ ห, ให้เกิดความอยากแล้วมันจะเป็นโทษมันจะทำให้ใจเราทุกข์ทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่ทุกข์เพราะภาพที่เราเห็นคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามอุปจารสมาธิต่างจากอัปปนาสมาธิอย่างไรต้องถึงสมาธิขั้นไหนถึงจะเอามาพิจารณาเป็นปัญญาได้คะ คือปกติท่านให้เข้าสู่อัปปนากอนให้จิตสงบให้มีพลังก่อนแเราพอถอนออกมานี่จะอยู่ในระดับอุ ป, อปจาระหรือจะอยู่ในระดับปกติจิตก็สามารถพิจารณาได้แช่นออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมเราก็สามารถเดินพิจารณาอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายได้การพิจารณานี้เป้าหมายอยู่ที่ให้จดให้จำให้ฝังอยู่ในใจ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 ก็คือพิจารณาว่าไม่มีใครดูแลก็ตายดูแลก็ตายเหมือนกันอย่างนีไม่ต้องไปกังวลถึงเวลามันตายไปถ้ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก็มีสวรรค์มีเทวดามีคุณงามความดีที่เราเคยทําไหวมาอุปถัมภ์ค้ำชูวเองถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ปล่อยให้มันเป็นสัพเพรรมานัตตาไปเป็นกรรมของสัตว์ไปไม่ต้องไปวิตกให้มันเสียเวลาข้อที่สอง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 ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ <c oughs> เันาจะเดือดร้อนตรงไหน <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณกะหนกพรภัยสาออสวรเสนีข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าแบกของหนักพาไปร่างกายก็เป็นของหนักนรกสวรรค์พรหมก็เป็นของหนักดิฉันเข้าใจว่าของหนักนี้ก็คือทุกข์ใช่ไหมคะ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 ข้อที่สองมนุษย์ตายแล้วไม่สูญเพราะถ้าตายแล้วสูญจะเอาจิตที่ไหนมาเกิดเป็นคนกุ้งสุนัข ก, กไก่ปลาหอยเทวดาส่วนกายเกิดมาก็ต้องอาศัยกายเก่าๆหรือที่มีอยู่แล้วบนโลกเช่าซากกุ้งซากหมูซ า, ากปลาซากผักกวางตุ้งซากผักชีที่มันมีอยู่แล้วบนโลกมาเป็นกายของเราเพราะฉะนั้นทั้งกายและจิต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 คนที่เคยฆ่าทำร้ายชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนถึงแก่ความตายแล้วถ้าผู้นั้นมาปฏิบัติทำสมาธิจเจริญกรรมฐานถ้าบุคคลนั้นตายไปตกนรกไหมครับถ้าต้องตกนรกตอนที่มีชีวิตอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ต้องตกนรกครับถ้าปฏิบัติได้เพียงแต่ขั้นสมาธินี้ก็ยังมีโอกาสที่ไปตกนรกได้ ขึ้นอยู่กับว่าเวลาตายนี้กําลังของบุญกับของบาปนี้ใครจะมากกว่ากันถ้ากาลังกาลังของบุญมากกว่าเช่นกําลังของสมาธิมากกว่าบาปที่ได้ทำไว้บาปก็ยังไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่แสดงผลให้ให้บุญของสมาธินี้แสดงผลก่อนก็เกิดได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่พอบุญของสวรรค์ชั้นพรมนี้เสื่อมลงมา ก็จะลงมาที่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ต่อแล้วเวลาตายไปถ้าเกิดบาปมีกำลังมากกว่าตอนนั้นบาปถึงจะมีโอกาสได้ส่งผลตอไปถ้าอยากจะไม่ต้องไปไปใช้บาปในอบายก็ต้องปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าขั้นสมาธิคือต้องขั้นพระอริยคือต้องพิจารณา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 ถ้าอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถึงแม้จะรู้สึกว่าร่างกายงอหรือไม่งอเอ็นไปทางไหนก็อย่าไปสนใจเหมือนขอให้อยู่กับพุโทโธให้เพียรพยายามเจริจรญพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้พุโทโธหายไปก็แล้วกันแล้วต่อไปผลก็จะปรากฏขึ้นมาเองคําถามต่อไปจากคุณอุรศยาข้อที่หนึ่งพอนั่งสมาธิไปจนเริ่มมีความปวดเกิดขึ้น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 ทำดีแล้วมันก็จะไม่วุ่นวายมันจะสงบทั้งขณะที่อยู่และขณะที่ตายก็ขอให้ทําความดีไปเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกันคําถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามอัปนาสมาธิในอินเทอร์เน็ตแต่ละอันที่อธิบายไม่เหมือนกันเลย อ, อยากให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้ด้วยคะ่ะก็ให้หนูทํำแล้วหนูนก็จะเห็นเองสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะอ ต้องไาทำเอาเองพุโทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวก็เห็นเองในวิธีวิธีอธิบายทางภาคปฏิบัติท่านยังไม่ค่อยท่านยังไม่อธิบายเรื่องผลเท่าไหร่อะเพราะมันอย่างที่เหมือนพูดเน่ยสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นสู้สอนให้เขาเห็นดีกว่าสอนให้เขาพุโทโธดีกว่าพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองพอเห็นแล้วก็จะลรางอ๋อเป็นอย่างนี้เองหมดคําถาม <บด S 2> จาก <บด S 2> ทางบ้านค่ะหลวงพอ่ออะไรไ ง, ไงวันนี้มีอะไรไหม ทางนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมจะให้นั่งคิดสักทังหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเผื่อนะพอพอปิดไม้ปับคำถามมาเยอะแยะเลย <c oughs> เอา้าวคิดว่าคงไม่มีการถามแล้วนะ <c oughs> แล้วอย่ามาถามนะหลังจากปิดไม้ละ <c oughs> อา้าว